ฟังธรไม่พูดฟังไม่พู้พูดฟัดงแล้วไปทำให้มันเกิดขึ้นบ ก, กรณ์การกระทามีอยู่กับเราพร้อมแล้วไม่เหมือนกับการฝึกหัดวิชาอันอื่นอื่น วิชาที่จะประขัดชีวิตของเรานี่มีอยู่กับเราทุกคนจางที่เราสวดมงคลส8แปดบักการที่เกิดขึ้นกับชีวิตไม่ต้องไปหาที่อื่นมีอยู่กับกายกับใจแล้วแต่เราต้องประขัดใช้ถ้าไม่ใช่มันไม่เป็นมันไม่มี จึงมีกรรมขอการกระทำจึงว่าสอนให้ทำการฟังทำเกลือพูดให้เอาไปทำสอนให้เอาไปทำไม่ใช่สอนให้คิดการคิดมันคิดได้ใต้เหตุได้ผลแต่ทำไม่เป็น แต่การกระทำนี่มันเป็นมันเป็นที่มีอยู่ในชีวิตของเรานี่สิ่งที่ไม่ได้หัดมันเป็นเอง่นความโกรธความโลภความหลงความทุกข์มันเป็นเองมันเป็นไปแบบนั้นถ้าไม่หัดมันใช่ไม่ได้ เหมือนช่างเหมือนมากเหมือนวัวเหมือนควายที่ไม่หัดการหัดงานก็ใช่ไม่ได้ชีวิของเราเนี่ยมันก็ใช่ไม่ได้ถ้าเราไม่หัดมันนะมีใจก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไงแล้วแต่มันจะใช่มีกายแล้วแต่กายจะใช่มีวาจาแล้วแต่วาจามันจะใช่ พูดเท็จพูดคำหยาบพูดโป๊ะเจ้พูดโสเสียดพูดดูดาก็าได้เพราะไม่ได้หัดจึงจำเป็นต้องฝึกตนสอนตนเ ต, ตือนตนหัดตนมีสติเอาไม่จะใช่ได้ไไดถ้าหาัดตนสอนตนมีสติมันก็เป็นบักเป็นผล เ่ยหลงก็ไม่หลงเคยทุกข์ก็ไม่ทุกข์เคยโกรธก็ไม่โกรธเคยโลภก็ไม่โลภเคิทมชั่วทำบาปทำกรรมก็เป็นการกระทำดีแทนมีความโทโสโหมูหโก็มีความเมตตากรุณาเกิดขึ้นในชีวิตของคนนี่ถ้าหัดทจนถึงมรรคถึงผลหมดไม่มีอะไรที่จะ ศึกษาอีกต่อไปเรียกว่าอาเสคาบุคคลบุคคลที่มันต้องศึกษามันจบเป็นชีวิตของเรามันจบเป็นไม่เหมือนศึกษาทางโลกจบไม่เป็นมันก็ต้องมีอะไรที่ต้องศึกษาอยู่แม้แต่เชื่อโลกที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี่กับ ก, า ย, ก, บ ก, บกายของเราเนี่ยก็ยังศึกษาต่อไปเรื่อยๆน่าแพทย์ วิชาการแพร่ต้องเรียนลูกไปเรื่อยๆโลกก็เกดขึ้นเรื่อยๆส่วนชีิตของเราที่มีโลกที่เกิดขึ้ น, น, นกับปากับใจมันจบมันหายได้เคยโกรธก็ไม่โกรธเคยหลงก็ไม่หลงเคยทุกข์ก็ไม่ทุกข์ก็เป็นประโยชน์เพื่อกูลต่อกันนะกัน อางเรียนกรรมฐานที่เราเรียนอยู่นี่มีสติอันเดียวเห็นกายก็เห็นอันเดียวเห็นใจก็เห็นอันเดียวเห็นความโกรธก็เห็นอันเดียวเห็นความหลงก็อันเดียวเห็นความทุกข์ก็อันเดียวเห็นอะไรที่มันเป็นปัญหาก็คืออันเดียวการแช่ก็แช่อันเดียวมันไม่มีอันอื่นเห็นความโกรธ เหมือนกันหมดทุกคนจะเป็นใครก็ตามที่ว่าคนนี้เหมือนกันหมดจะเป็นพระเป็นสงฆ์เป็นลูกของสงฆ์ก็เป็นเหมือนกันหมดเป็นสงฆ์สมมุติสงฆ์เป็นสงฆ์ส ม, ชชสมาชิกสังคมเป็นสงฆ์สังฆะนับสังฆท า, านเหมือนกันแต่สงฆ์พระตรตกไตเนี่ยไม่เหมือนกันมีในชีวิตของเราเนี่ย แต่ว่าสงผลรตัตนาตายไม่ใช่รูปแบบปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตออกจากทุกปฏิบัติสมควรปฏิบัติเป็นสถาบันนี่เรียกว่าสงผลรตัตนาตายทุกคนทําได้ปฏิบัติได้เป็นหน้าถึงกันเดียวกันแต่สงสมาชกสง่สงสมมุดติบัญญัติ นสงฆ์ที่แนวหน้าที่ต้องศึกษาได้ไวกว่าครว่าญาโยมเพราะมีหน้าที่อย่างนี้โดยตรงนี่ก็ไวแล้วก็เป็นสองฆ์อย่างนี้ถ้าสงฆ์ถึงพระไตรชนว่าสงฆ์พระสองฆ์อริยเจ้าอาริยเจ้าก็าเป็นเพศครว่าญาโยมถึง สงเพรนตันไตลรวก็เป็นเรียบคุคคลเป็นสงอรียบคุคคลตามอาเบียบมีชีวิได้ทุกคนเร่งมาฝึกตนสอนตนมีทุกคนในความหลงก็มีความไม่หลงฝึกลงไปมันมาให้เราฝึก มีความทุกข์ก็ให้มีความไม่ทุกข์ฝึกลงไปมีความโกรธความอะไรต่างๆจนถึงความแก่ความเก<ง>็บความตายฝึกลงไปเริ่มต้นนักเต่เห็นมีสติเห็นงอแงบุบเบิ ก, บ ก, บกเรียกว่าฝึกตนสอนตนใน ว, วิชากรรมฐาน มันจบบนเหมือนพระพุทธเจ้าว่าชาติสิ้นแล้วภพวันจนอยู่จบแล้วจจต่นเท่ยงต้องไม่มีอีกแล้วเผ่นดินสุดเคยมีวิชาไม่มีอวิชาอาวิชาคือปรุงวิชาคือหยุดปรุงหยุดชีวิตหยุดแล้วไม่ได้แล่นเหมือนเมื่อก่อน แต่ก่อนมันแล่นชีวิตแล่นไปตาก็แล่นไ ป, นไปเห็นเฉยๆไม่พออ้ยเพินความพอใจไม่พอใจตาเห็นก็เกิดความหลงเกิดอะไรต่างๆได้หูได้ยินก็เกิดแล่นไปจต่หูได้กลิ่นลิ้นในื้อลิ้นสมบัติใจคิดมีปัญหาทั้งนั้นถ้าเราไม่พวกน่ะถ้าเราฝึกมันไม่แล่น มันก็หยุดเป็นสําเร็จประโยชน์จ๋ก็รับใช้ให้สําเร็จประโยชน์หูรับใช้เป็นประโยชน์กายก็รับใช้มาจาก็รับใช้ธรรมจิตใจก็รับใช้ธรรมเป็นเครื่องมือของธรรมสมคว่ำดีสําเร็จมากมาย เมื่อนากรุณาเกิดขึ้นแทนความโกรธความโลภความหลงไอ้ความลักลักแบบพระพุทธเจ้าไม่ใช่ลักแบบปุถุชนพระพุทธเจ้าเป็นยอดนักลักที่สุดในโลกในเหมือนคนคนมันลักเพื่อเห็นเฉ่ตัวเพื่อลัก เพื่อให้มารักใช้ความรักของตนเรียกร้องให้กรรมวาให้เรามีความรั ก, ร, กรักเพื่อจะเอาโอ้เจ้ารักที่จะให้ที่จะช่วยเหลือความรักน่ยถ้าผู้ถ้ามันปอาที่บา่ายดีเข้าใจไม่ถูกมันก็ผิดบาผิดตังคไป รักจริงๆเน่ยมันรักแบบข้าพุทธเจ้าเนี่ยมันรักเั็นสุดยอดของนักลักลักทุกสิ่งทุกอย่างเม็ดดินเม็ดหินเม็ดชายลักอะไรทุกอย่างไม่ว่าแต่ผู้คนจะฉังของอะไรต่างๆรักปวดรักก็ต้องช่วยเหลือความรักให้ตาช่วยเหลือ มันฉนลองก็จะเอาเช่นองคีมานจับดาบว้ฝันพระองค์อยู่พระองค์ยังรักองคีมานอยู่คิดจะช่วยเหลืออยู่เขาจะฆ่าเราอยู่ก็ตามยังคิดช่วยอยู่จนช่วยได้นี่คือความรักอันยิ่งใหญ่ ว่ามันเกิดจากนี้จะพลมันก็เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อทุกสรรพสิ่งต่างโลกมันเป็นการพบเห็นเห็นความรู้สัมผัสดได้นี่คือรู้สุดยงกตของความรู้สุดแค่นี้คือรู้จึกตัวมีจติ ต่าง ก, กันกับความหลงสัมผัสแบบนี้การศึกษาเป็นการสัมผัสแล้วก็เลือกเป็นหัดให้รู้ขณะที่มันหลงขณะที่มันทุกข์หัดให้รู้ขณะที่มันทุกข์ขณะที่มันโกรธหัดให้ไม่รู้ขณะที่มันโกรธ ขณะที่มันเจ็บหัดให้มันรู้ขณะที่มันเจ็บพี่มันจะตายจริงๆก็หัดให้มันรู้ขณะที่มันจะตายไม่ใช่ตายเพราะความตายไม่เก็บเพราะความเก็บกวมหลงเป็นกวมหลงควาทุกข์เป็นควงทุกข์ควงโกรธเป็นความโกรธความตายเป็นควาตายไม่ได้หัดคนไม่ได้หัด ก็เลยเป็นไปตามอาการที่เกิดขึ้นยอมรับทั้งจํานวนล่องไห้เสียใจความเกิดก็เป็นทุกข์ความเจ็ก็เป็นทุกข์ความเก็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เราไม่หัดเราหัดเล่าความเกิดไม่เป็นทุกข์ความเจ็บไม่เป็นทุกข์ความเก็บไม่เป็นทุกข์ความตายไม่เป็นทุกข์ แล้วไม่หาแต่เพียงแต่ความคิดก็ทุกไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม้แต่ความคิดก็ทุกทุกความคิดไม่ความคิดก็เป็นพิษเป็นภัยในตาในหูในอะไรต่างๆทําให้ยินดียินลายเกิดขึ้นก็เพิ่มขึ้นมาไม่นิ่งชีวิตไม่นิ่ง กระทบก่อเถื่อนมานปลายไปเกิดเป็นปัญหาต้องมีตัวบทกฎหมายมาปกครองชีวิตของกาอยใจมมีสตา์อาวุธมีกองทัพเลือกสอสอให้มา ด, ดูเรื่องนี้เพราะคนไม่มีธรรม เพราะก่อนเป็นสีนั่นสีนี้บนยัดขึ้นไปน่าอายที่ฉุดน่าอายฉินน่าอายทำจะมัดขอขอถามพ้าถนนทางเคห์ถูกข์ขาดถูกว้ายนี่หรือชีวิตของคนมันประเสริฐอะไรสามลอย่างนี้หรือชีวิตของคน หมายว่าที่เป็นสัตว์ที่ประเสิฐประเสริฐตรงไหนถ้าไม่มีศีลไม่ธรรมแล้วเราจะอยู่กันยังไงเราเลยมาเกิดขึ้นจากคนที่ไม่มีศีลไม่ธรรมโลกก็โลดเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นเดี๋ยนี่ก็ไม่ลูกไม่หลานไม่เชื่อพังพ่อแม่ ลูกหลานไม่เชื่อฟังครัวอาจารย์ลูกหลานไม่เชื่อฟังพระสงฆ์องค์เจ้าเกิดขึ้นมากมายแต่ก่อนมีลูกวมีเทามีความสุขเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่มั่งมีสีสุขทุกวันนี้เป็นเช่นไรน้ำเดืมก็ต้องซื้อขวดละเท่าไหร่ ดินก็ต้องซื้ อ, อปลูกตอนมากก็ต้องซื้อดินมาปลูกมันเป็นอะไรแต่มันไม่ได้ฝผก่ขาดเขายื่อนอะไรให้เอาก็เอาเำอะไรให้จริงกว่าก้นเครืค่องดืงเพิื่งกินมีเท่าไหร่ขนมแต่ก่อนไม่ได้เข้าตุ้มมัดอรรถชงสมัยก่อนนะ กวันมีอะไรมากเจนั้นไม่รู้จากจะนั้รู้จากชื่อนั้นน ะ, อ, ะอินอะไรนะรัดูพวกวคบริโภคกสมดุลปัญยใช้ชีวิตที่ผิดพาดทำให้มีทุกข์มีโทษไ ด, ด้แตาใช่ถูกก็ไม่มีทุกข์มีโทษแต การอยู่กันกินเรื่องเดียวหนึ่งใชไม่เป็นก็มีทุกข์มีทุกข์อะรมีปัญหาเลื่อยไปอะไรก็จำเป็นจำเป็นกินหอมหอมหอมโขกโผกหอมทั้งทรัพย์สมบิหอมทั้งสุขภาพร่างกาย ไม่เป็นเวล่ำเวลามาอยู่นี่บางทีก็มือเดียวเอาลงไปไม่ตายสองมือไม่ตายมันก็ยังมีชีวิตอยู่ถัวตายลองดูไม่ตายไม่กลัวในการฝึกตนสอนตนมันลุยนะไหโลกเนี่ย ไหนว่ามีความหลงที่ไหนไหนว่ามีความทุกข์ที่ไหนไหนว่ามีความโกรธความรักควา ม, วามดีใจเสียใ จ, ใจพอใจอยู่ที่ไหนเอาเลยเฮ้ความแก่ความเจ็บความตายเอาเลยฮะอันฝึกตนสอ น, สนตอนนี่มีให้เราฝึกทุกชีวิตมือห้านิว้วสิบนิว้วมีขามีแขนมีหัวใจมีลูป เป็นรูปแต่ในส่วนรูปมันก็มีวัตถุประกณ์ให้เราได้ฝึกหัดบันรูปมันคือรูปมันทาอะไรนามมันทาอะไรรูปทำนามทาพี่มันให้เคลื่อนไหวอยู่นี่มันอะไรต้นเสามาเคลื่อนไหวเป็นไหมทำดีเป็นไหมทำชั่วเป็นไหมชีวิตของเรามันมีรูปทำมีนามทำรูปมันทำดีนามมันทำดี หรือว่ารูปมันทำชั่วนามมันทำชั่วเคยใช่ให้รูปให้นามมันทำดีไหมเคยใช่ให้รูปใป้นามมันละชั่วไหมเนอะได้สาเร็จบ้างไหม ย, ยกมือไหว้ตัวเองได้ไหมเคยหัดมาสอนมาต่างคนอื่นไหมไม่เรื่องที่เขาหลงเราไม่หลงมีบ้างไหม ในเรื่องที่เขาโกรธเราไม่โกรธมีบ้างไหมในเรื่องที่เขาทุกข์เราไม่ทุกข์มีบ้างไหมไม่หวั่นไหวเพราะสิ่งที่คนหัวเราะร้องแห้บ้างไหมมั่นคงไหมถ้าตกมุรแล้งเป็นแล้งตกมุกกาเป็นกามันก็ใช่ไม่ได้เราต้องมั่นคงเป็นหนึ่งเดียวชีวิตเป็นหนึ่งเดียวพร้อมที่ทำความดีพร้อมที่ละความชั่วถ้าเราหัต ถ้าเราไม่หัดก็ไม่มั่นใจตัวเองนะไม่มั่นใจตัวเองไปอยู่กับโลกถูกโลกทับถมมันมีโลกแนละ้วไม่ใช่ชีวิตของเรามีลกูกมีน้มเท่านี้มันมีโลกเรียกว่าโลกวีสองโลกโอกาสโลกแผ่นฟ้าแผน่นดิน มแผ่นผ้าแผ่นดินไม่มีอะไรอยู่บนแผ่นผ้าแผ่นดินนี้มากมายเกี่ยวกับรูปกับน้ำของเราทั้งนั้นสังขารโลกเกิดจากรูปจากนา้ำเกิดจากอากาศโลกด้วยแต่ก่อนกินน้ำ้อยวัว้อยควายได้ ทุกวันนี่เหมือนกินน้ำ้อยวัวร้อยควายไม่ได้นี่อะสังขารโลกมันเป็นยังไงต่างกันแม้แต่ที่นี่ก็ต่าง ก, กันกับ40ปีก่อนอย่างสัตว์บางเพศหมดไปดสัตว์น้ำสัตว์มกหมดไปือ ด, ดูนี่ดเดือนมิถุ น, นากรกฎาเนี่ยเลไลโซ ป, ปาโน ร้องรล้วงมในป่าประกอบก็ด้วยเสียงนุกบางประเภทเสียงสัตว์พื้นดินบางประเภทกำลังคลิมเกินสนุกฟังสัตว์บางเพศมันร้องตลอดเกินแจ้งแล้วหลวงพอ่อแจ้งแล้วแจ้งแล้วหลวงพอ่อแจ้งแล้วสัตว์บางเพศพูกกันเหมือนคนมุมมุมัม ม, ม สนุกฟังบางทีเราก็สนุ ก, นกอยู่กับโลกแบบนี้นอนตื่นเดียวตืนขึ้นมาเดินไปเดินไปมีไม่เท่าก็เดินไ ป, ไ, ปมไม่ไไ<ป>มีไฟฉายเดินไปที่โน่นเดินไปที่นี่เหมือนลูกนี่เราอยู่คนเดียวคนอื่นเขาเงียบส น, นิทเราเดิอยู่บนโลกคนเดียว บางเงสียงสดเราบางทีนกมันฉกหน้าเอาขนตัวลูกเฉะสนุกดีนะ <laughs> นอกอะไรไม่รู้ฉกหน้าต้องจะเป็นตัวใหญ่เนะวืเหมืนอนกับอะไวะเจ้าขนลุกแต่ไม่กลัวเอ๊ะมันเป็นอะไรกลัวเลยมันเป็นสัญชาตญาณของชีวิตมันขนลุกขึ้นมาวขึ้นมา เหมือนกับว่ามีนกเท่านั้นที่สุขสนที่สุดส่วนจัตระเดอือนคกจะหลีกทางแต่นกมันเกลียดเราหรือมันหยอบรอ ก, ก็ไม่รู้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถางเก่าจริงๆอากาศกร้อนเพิ่มขึ้นทำามันอื่นมันต้องมีการวิฤดู แต่ทำความดีแล้วความชั่วไม่มีฤดูเลยในกายในใจเรานี่เว้นม่กเป็นผลจริงๆนะเช่นปีนี้เอาพอยแจงท้แล้งจัดจังหวัดอื่นไม่เห็นนะแรงไหมต้องอาศัยน้าฝนจึงมีโอกาสทำนาได้อาชีพชาวไร่เหว่ได ต้องมีอันอื่นที่จะหล่อคอยวัตถุอันอื่นทำนาก็ต้องอาศัยน้ำอาศใสหลายอย่างออกแรงหลังโซฟ้าหน้าโชเดนมีเอาพืชมีข้าวปลูกมีข้าวพันรูาจากไขน้ำเข้าไขน้ำออกเวลา มีต้นเข้าวเวลาเก็บเกี่ยวก็รู้จักเก็บเกี่ยวแต่ว่าการทำชีวิตสร้างชีวิตไม่อาศัยอย่างนั้นมีศรัทธาเหมือนเนื้อ น, นามีศรัทธาเชื่อว่าทำดีดีทำชั่วชั่วเนื่อ น, นามีความเพียรเหมือนกับน้าฝน มีสติเหมือนกับข้าวปูกข้าวพันมีสมาธิเหมือนกับเครื่องทาสเครื่องไถเปลี่ยนหญ้<ย>าลงไปในดินเปลี่ยนล้อมหลงลงไปความความดีเกิดขึ้นเหมือนทาดเหมือนไถสมาธินีน่ไถใจอยู่เสมอเหมือนคนไถนาจากหญ้ารกๆเปลี่ยนมันลงไปกบข้างล่าง มันจะเป็นปุ๋ยความชั่วความผิดทให้เกิดเป็นความดีมันมีดีเพราะมีไม่ดีเอาดีจากความไม่ดีมีในชีวิตเหล่านี้มันทำได้เหมือนสมาธิมีปัญญาลูกเห็นความเท็จความจริงปัญญาเป็นตัวประกอบมันหลงลูกนอนในปัญญา เปลี่ยนหลงเป็นลูกนั่นในปัญญานี่ว่าทานาได้มักได้ผลไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายการทา น, รรนาทำธามาเอามาข้าวมากินยังแก่ยังเก็บยังตายอยู่นี่พ้นเจ้าไปไปโปรดถามมิจฉาทิฏฐิ โชวขึ้นมาเรื่องนี้ไม่ใช่พูดเองสมัยหนึ่งพระเจ้าไปโปรดพรามมิจฉาทิฏฐิไปเวียนท บ, บาอดไปยืนอยู่อุ้มบอร์ดยืนอยู่หน้าบ้านพรมพรมขวดหน้าบ้านอยู่เห็นพระเจ้าอุ้มบอร์ยืนอยู่ก็บอกไมปไยที่นี่เขาไม่ให้นะ พรเจ้ายังยืนอยู่ว่า้ยที่นี่เขาไม่ใหด่าแรงขึ้นเกิเป็นวันไหนก็มาขอแต่ข้าขอขินไม่เห็นทำอะไรกินไม่เห็นทำไรทำนาะพอพรามด่าพรเจ้าดูก่อนพ ร, พรมผู้เจ็นเย็นดูก่อนพรามเราก็มีด่าท พรามก็ยิ่งโกรธสำนาอะไรโกหกมีนาที่ไหนมีแต่มอดินอุ้มใยอุ้มมาอยู่เนี่ยไม่เห็นมีนาที่ไหนดูก่อนพรามเราก็มีเนื้อนาเรามีศรัทธาศรัทธาเป็นเนื้อนาของเราเราเชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราจงเพียนทำนาเล่าความชั่วทำความดีเรามีความเพียรเหมือนน้าผล เรามีสติเหมือนเข้าผูกเรามีสมอาธิเหมือนคาดไถเรามีปัญญารู้จะขายน้ำเข้าขายน้ำออกเวลาน้ำท่วมก็เปิดออกเวลาน้ำแห้งก็ปิดไว้เราได้เข้ามากินไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายเหมือนพรามพรามได้เข้ามากินยังแก่ยังเก็บยังตายอยู่นะเราก็มีหนาเหมือนกันพราม ตามก็ยืนนิ่งวังล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะอะไรไหนลองขึ้นไปบ้านด้ซิเพื่อให้ลูกให้เมียได้ฟังด้วยรับบาดขึ้นไปบนบ้านไปพูดให้ทั้งเลือกลูกเรียกเมียมาฝังพระเจ้าก็าแดงจนเกิดสมมาทิฏฐิ เอาข้าวใส่บาทให้มาส่งที่เขตตะวันสมัยต้นๆนะมีคือของจริงชีวิตของเราเนี่ยนะไเรียกการไม่มีการไม่มีเวลาทำดีได้ทุกโอกาสยิ่งเรามีครอบมีครัวเป็นสัตว์สังคมมีผัวมีเมียมีพ่อมีแม่มีเพื่อนยิ่งทำดี ยิ่งมีโอกาสได้ทดําดีให้เกิดเมื่อเกิดผลแล้วก็ทําได้ไม่ต้องมีอันวัตถุูติงของคนอืนอ่นนะก็ทําดีต่อกันในโลกนี้เราจะรู้จักใครก่อนเราก็รู้จักตัวเองก่อนเมื่อรู้จักตัวเองแล้วใครเป็นคนสําคัญที่สุดคือคนใกลคิดเราสําคัญที่สุด ใครก็ตามอยู่ใกล้คคดเราเป็นคนสองขันทุสุดเราต้องทำอะไรต่อคนที่ใกล้คิดเราไปความดีนี่คือชีวิตของเราตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้จากตัวเองก็รู้จากคนอื่นทำไมเราจะไม่รู้ทุกคนก็กลัวทุกอยากได้ความสุข ความสุขก็วิ่งหนีความทุกขตามมามไม่รู้จักวิธีทำมองอะไรกม็มองไปข้างนอกไม่มองหน้านในต้นเหตุมันอยู่ที่ไหนทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดตัวเหตุจะดับก็ดับที่เหตุ อันหลงก็เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเหตุที่มันหลงนั่นน่ะมันมีไหมเนี่ยเราเหตุที่มันทุกข์มีไหมว่าต้องมีเหตุแล้วก็เชื่อที่เหตุว่าเท่านี้เป็นบรรลุธรรมดวงตาเห่นธรรมได้นะถ้าดูดีๆนะทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุระดับก็ดับที่เหตุนั่น อาถาพระชกิในพระปัญจวิคีทั้งห้าได้แสดงทมแก่อุปติชมานุปเรียกว่าสาลีบุตรนี่จนอุปติชมานุคือสารีบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมโปดให้ฟังเท่านี้ถือไว้ในหัวใจอะไรเกิด เขาเกิดที่เหตุจะดับที่เหตุเอาไปปฏิบัติทาตามเชื่อจนจะเอาพระพระพระอจิเป็นาศาสาตราท้าชิกบอกว่าไม่ไม่ท้าพระเจ้ามีพระศาสดาคือพทธเจ้าเป็นาศาสดาของเรา อุปติจารถามพระเจ้าอยู่ทาที่ใดโน่นอยู่ราจะคือนโน่นจึงไปหาพระเจ้าปฏิบัติธรรมฟังธรรมที่พระเจ้าสอนจนพระเป็นเอตจักขะเป็นพระอรหันต์เลิศในทางปัญญาอาอาคัสสาวกเป็นเมื่อขวาของพี่เจ้าเลยว่านอยู่แถว นารันธายัางไปเห็นบ้านสาริบุตโยมนี่คือพระอาถาอาชกิแต่นั้นสาริบุตบวชขนาดเป็นเสนาบดีได้ยินข่าวว่าอาชกิอยูที่ใดสาริบุตจนนันนนันหันฉี้ชะหันหัวไปทางนั้นพยายามติดตามขา่าวสารอาชกิอยู่ที่ไหน ต้องหันหัวไปทางนั้นเวลานอนเขาโลภมากพูดขาถาเท่านี้แล้วก็ไปปฏิบัติแต่กฉานมากมายทะลุทะลวงกับเรื่องของความชั่วเป็นความดีได้ทําได้สําเร็จเย็นความหลงไม่ต้องขอญาตจากใครมันมีอยู่ในเราเนี่ยแล้วปฏิบัติลงไปมีจิตทีไม่หลงมันทุกข์มีจิตทีไม่ทุกข์เหมือนโกรธมีจิตทไม่โกรธ เป็นเครื่องมือที่เราไปทำอย่าปล่อยทิ้งชีวิตของเราที่ผ่านมาจะหลงไปอย่างนี้จะโกรธไปนี้จะทุกข์ไปนี้จนตายหรือมันไม่ใช่ชีวิตไม่คุ้มค่าโอา้แเบลนะอกตบบกตัวเองลองดูพี่พ่อแม่ให้เราเกิดมาเลยตอไมนี้ไม่อยากให้เรามีทุกข์มีโกรธ ทำลงไปดูซิมันจะเป็นการตอบบุญแทนคุณพ่อแม่มือหานิ้วสิบนิ้วนี่ทำความดีพ่อแม่อาจจะไม่มีแล้วแต่เราต้องทําความดีประกาศให้คนเห็นนี่คือลูกของพ่อกินลูกของแม่ลูกชายของพ่อของแม่ลูกสาวของพ่อของแม่คนนี้ให้กุ้งค่านวราดนมโกรธเมื่อไหรสงสารพ่อสารแม่โกรธไม่ลงทุกเมื่อไหรก็สงสารพ่ อ, พอแม่ ทุกไม่ได้พอ่พอพ่อแม่ไม่อยากให้เราเป็นทุกข์นี่คือตอบบุญแทนคุณเคารพพระคุณของพ่อของแม่เราเราเสโศกเสียใจร้องไห้อะไรที่ไหนมีมก็ไม่ทุกข์มเวทนาก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่ฝึกกับเวทนาเป็นทุกข์ถ้าไม่ฝึกสัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ เติ้อฟึกเวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารไม่เป็นทุกข์วิญญาณไม่เป็นทุกข์บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องสองมองสงบจากข้าศึกไม่มีข่าศึกอย่างที่เราสวดมงคลสามสแปดมีอยู่กับชีวิตของเรา น, นี้เป็นมงคลจ น, นประเสริฐมงคลจ น, นสูงสุดเดี๋ยวนี้เวลานี้เราไปหาเฉลยมงคลจากการไน จากภายโนกมันก็ไม่ใช่มงคลมงคลมันต้องเกิดจากการฝึกตนสนตนมีอะไรไปทั้งหมดเฉยวนาจะบาลังการไม่คุบคนผ่านการไม่คบคนผ่านคนผ่านอยู่ที่ไหนคนผ่านมีสองแบบคนผ่านภายโนมกมายโกไดยขอคนนั่นคนนี้คนไม่ดีก็เหล็ก เหล็กช่างสิบ่าเหล็กคนพานร้อยเช่นโบรานท่านว่าคนพานที่อยู่ในชีวิตเรานี่มีไหมนี่หลีกคบบัณฑิตกัเดียวกันคนพานคือความหลงบัณฑิตคือความไม่หลงคนพานคือโกรธบัณฑิตคือความไม่โกรธคบได้ในชีวิตเรานี่ยคบอย่างนี้เลยเป็นมงคลคบเป็นหัดตนสอนตน บูชาคนคนบูชาอะไรบูชาเนี่ยเรามีการมีใจจะปฏิบัติดีตบบูชาเป็นปฏิบัติบูชาคอยเสริมขวาการบูชาอย่างอื่นแล้วก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันแล้วพ่อและแม่ต้องเป็นคนดีรักสามีภรรยาต้องเป็นคนดีลักเพื่อนต้องเป็นคนดีไม่ใช่ไปหัวโลอกกดหยอกลอกกันลักคือเป็นคนดี เพื่อนลงมก็ต้องช่วยเพื่อนลูบหลังลูบไรไม่เป็นไรนะเพื่อนนะหาคนขวยที่ช่วยกันเวาเพื่อนทุกเวลาเพื่อนโกรธคนขวยที่ช่วยกันยิ่งเรามีข้อกลัวใครโกรกโหผมกันช่วยเป็นไรเป็นไรเป็นอะไรตกหน้าอกเสลยถ้าสามีโกรธปัน ญ, ญาต้องตกหน้าอกเสลยเนยฉันเป็นพัญยาของพ่อ ไม่อะไรฉันช่วยเหลือช่วยเหลือแค่นั่แหละว่าให้เราโกรธโอ๊ยขอโทษขอโทษต้องมือไวฮะแล้ <c oughs> ก็จะดีไดยนะนี่เนวะคนหนึ่งโกรธคนนึงก็โกรธด้วยกันลบฝันตกมือสองข้างเยังดังได้มือฉันข้างเดียวตกดังเหมือนกันดังไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มือท่านสองข้างดังแค่ว่าสองว่าแต่มือฉันมือเดียวดังไปถึงมัดขนิพฐา นะนี่คือปฏิบัติธรรมดีดีนะให้เป็นวรลุกของเราเป็นส ม, นสมบัติอนุสมบัติสวรรค์สมบัติที่พานสมบัติในชีวิตของเราดีอย่าให้เหมันฟรีซะเกิดมาตายเจ็บแก่เจ็ บ, จ บ, จบตายไปเฉยไม่มีประโยชน์เ้านะเอาวนัน <c oughs> นี้นั่งเขาที่มันเจ็บนั่งเขาที่มันแก่นั่งเขาที่มันตา ย, าตายเป็นยังไง ถี่ไปห้อยไปแขนมักับมาลายถ้าไม่เพิกนะ่ไหวากายเป็นเปรตเป็นสุลกาเป็นสัตว์ลกได้ถ้าไม่มีสตินะถ้าหลงเป็นหลงทุกเป็นทุกในะห้สู่นรกเท่ากับขนโคน่ากลัวไหมเออแลขี้เกินขี้บัดใบแล้วทุกเป็นทุก ไปสู่นรกเท่ากับขนโคเออทุกเป็นไม่ทุกไปสู่นรกเท่ากับเขาโคน้อยนี่เดียวนะาะพลาดนิดเดียวใช่ไหม อ, อ่าต้องต้องต้อ ง, ต, องต้องคุยทากไว้นะเพราะฉนั้นหลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธทุกเป็นทุกหนะึ่งไปสู่นรกเท่ากับขนโคมากที่สุดมันเมรนะโลกนะ คนเราไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานนะมีสมองตามความชั่วไดีดีดใส่คิดใส่ใจไม่แต่ความโกรธกำลังดับดีดีมันว่าจยางนั้นมันว่าอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นม่น่าจะเป็นอย่างนี้ใส่ใจอันความไม่โกรธไม่ค่อยใส่ใจเลยไม่เป็นไรช่างหัวมันเป็นเช่นั้นเองเป็นเช่นนั้นเอง <c oughs> ใส่ใจเรื่งนี้ขึ้นมา ลองเพลงก็ได้โลกไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงโูกไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดเป็นสิงสิงได้มาใช่ตัวตนสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกไปควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนลองเพลงพระเจ้าเคยลองเพลงอย่นี้นะใช่ไหม ขณะนั้นล่อแวงอยู่อานนทมาเจอเข้าก็ข้าพงว่าอะไรพงว่าอะไรพระเจ้าเรียกอนนทมามานี่อานนทมาฟังนี่ลูกไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงจริงไห้จริงได้ไม่เที่ยงจิ่ง้เป็นทุกข์ใช่ไหมจริงได้เป็นทุกข์สิงไม่ใช่ตันใช่ไหม ไม่ควรถือว่าเราว่าตัวเราว่าของเราว่าตัวตนของเราไม่เธอใจใจ่างนี้นะอะโดนนะนี่อาันนี้ก็จงก่อนใจเวลากับพระพ้อกัน